hmm <sweak> ได้สวดบทหนึ่งนะชื่อว่าธรรมะคารวาทิคาถาจะมีอยู่ประโยคหนึ่งนะซึ่งหลายคนอาจจะฟังแบบพันพานหรือว่าสวยแบบพันผ่านทาที่ตนประพฤติดีแล้วนะย่อมนำสุขมาให้อันนี้ลองคิดสักหน่อยนะว่าทำไมถึงข้อความนี้ถึงไม่ไม่มีคำแบบสั้นๆย่อๆว่าทาที่ประพฤติ แล้วนำสุขมาให้ทำไมถึงมีคำว่าดีแล้วเนี่ยเพราะปกติธรเนี่ยนะมันก็เป็นของดีของประเสริฐถ้าปฏิบัติเมื่อไหร่นะมันก็ย่อมเกิดประโยชน์นะเพียงแค่ได้ฟังเนี่ยได้ฟังธรรมนี่ก็ยังได้ประโยชน์ไม่มากเท่ากับปฏิบัติธรรมแต่ทำไมเนี่ยสวดเมื่อสักครู่เนี่ยจึงมีคำว่าดีด้วย ทำที่ตนประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้อันนี้แปลว่าอาจจะมีการปฏิบัติที่ไม่ดีก็ได้ธรรมะนี่ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ดีก็คงไม่นำสุขมาให้อาจจะเกิดผลตรงข้ามก็คือทำให้เกิดทุกข์ก็ได้ทำที่ประพฤติไม่ดีนะอาจจะนำทุกข์มาให้ หมายความว่ายังไงทาที่ประพฤติไม่ดีนะอันนี้มีคาถานหนึ่งในธรรมบทนะที่พูดว่ายาคานะที่จับไว้ไม่ดีนะย่อมบาดมือนะความเป็นสมณะนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกย่อมฉุดลงนรกความหมายเนี่ยคล้ายๆกันก็คือว่าไอยาคาเนี่ยดูมันไม่มีพิษไม่มีภายอะไรนะแต่ถ้า ถือจับไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดผลเสียกับเราก็คือถูกบาดไอความเป็นสมณะหรือความเป็นพระเนี่ยเก็ถือว่าเป็นของดีของประเสริฐนะเพศพระเพศสมณะก็ถือว่าเป็นเพศที่สูงนะและอุตมภเพศแต่เมื่อได้ครองเพศนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะจะเลยงอกงามนะ หรือว่าเกิดผลดีเสมอไปนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะก็อาชุดลงนรกได้นะเช่นพอเป็นพระแล้วมีคนกราบไหวนะ้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นพระใหม่หรือถึงไม่ใช่พระใหม่เป็นพระมีพันสามากแล้วก็ปฏิบัติดีนะคนก็ศรัทธาก็เกิดลาภสักการะขึ้น น้าเกิดเพลินหรือว่าหลงในลาบสักการะนั้นเนี่ยก็าจจะกลายเป็นนําไปสู่การปฏิบัติที่ผิดก็ได้ก็คืออาจจะใช้ความเป็นสมณะนะของตัวนี่แหละนะในการล่อลวงให้คนหลงเอาลาบสักการะมาถวายหรือว่าอาจจะทำยิ่งกว่านั้นใช้ความเป็นพระเพื่อ หลอกให้คนหลงเพื่อปนเปื้อกินเหลของตัวนะอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นสมณะนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกย่อมฉุดลงนรกธรรมะก็เหมือนกันนะธรรมะเป็นของดีของประเสริฐก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะเพราะว่าถ้าคนไม่มีความเข้าใจนะไม่มีปัญญาก็อาจจะปฏิบัติผิดก็ได้อาธรรมะมาปฏิบัติแบบผิ ด, ผด ยกตัวอ่างง่ายก็เช่ น, นได้ฟังธทมแล้วเนี่ยมีความรู้ทางธรรมเยอะนะแทนที่จะเอามาขัดเกลาตัวเองให้เจริญ ง, งองงามก็เอาไว้ใช้สำหรับตำหนิต่อว่าคนอื่นหรือเพื่อพูดเพื่อโอ้อวดนะอันนี้มันก็เป็นการเพิ่มพูนกินเลสเพิ่มพูนทิฐิมานะนะ มานะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าความขยันหมั่นเพียร น, นะมันแปลว่าอัตตาเนี่ย ถ, ถ้าพูดแบบง่ายๆเนี่ยคือความถือตัวสําคัญมั่นหมายในตัวตนว่านะฉันดีฉันประเสริฐฉันสูงฉันเก่งกว่าคนอื่นนี่คือมานะคนที่จบปริญญาเอกเนะก็คิดว่าฉันเก่งกว่าปริญญาโทนคนที่จบปริญญาโทก็ดูถูกคนจบมัธยมอ่ะเนี่ยไอ้กิเลสตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามานะ คือยกตนขมทันซึ่งมันก็สามารถจะเอาธรรมะนี่มาใช้นะธรรมะที่ได้ราเรียนมานี่เอามาใช้ในการดูถูกคนอื่นหรือว่าเพื่อเชิดชนะูอัตตาของตัวเองว่าฉันเก่งนะฉันเป็นคนรู้ธรรมะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเอาธรรมะมาปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องนะในทางตรงเดียวกันเนี่ย ธรรมะเช่นการการปฏิบัติธรรมเช่นการให้ทานนะทานนี่ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะเมื่อเราปฏิบัติก็คือเราให้ทานถ้าเราให้ทานนะเพื่อมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นและขณะเดียวกันก็เพื่อลดความตนิลดความเหคตัวอันนี้เรียกว่าปฏิบัติ ด, ดนะีซึ่งย่อมทําให้เกิดสุขแล้วปฏิบัติไม่ดีเป็นยังไง ก็ให้ทานนะเพื่อหวังจะโชว์นะหรือแสดงว่าฉันเป็นคนใจบุญนะอันนี้เราทำบุญเอาหน้านะหรือว่าให้ทานนะเพื่อเพิ่มพูนกิเลสนะเช่นบริจาคสิบนะเพราะว่าอยากจะได้ร้อยนะบริจาคร้อยอยากได้ล้านคือหวังว่าจะได้มีโชคมีลาบถูกรัตตอรี่ถูกหวยเนี่ย มันก็ได้บุญนะแต่ได้น้อยนะได้น้อยเพราะว่าเป็นการทำบุญที่เจือด้วยกิเลสการรักษาศีลก็เหมือนกันนะรักษาศีลศีลนี่มีไว้เพื่อขัดเกลาวตัวเองแต่คนที่ปฏิบัติรักษาศีลเคร่งเคร่งเนี่ยบางคนก็จะเผลอนะเผลอให้กิเลสมันหลอก ก็เกิดความหลงตัวว่านีฉันเป็นคนมีศีล น, นะฉันฉันศีลแปดนะเธอแค่ศีลหนะ้าเธออย่ามาเถียงฉันนะนะเวลาเถียงไม่ได้สู้เขาไม่ได้ก็ก็เอาศีลมาข่มนะอย่างนี้เรียกว่าเอาธรรมะมาปฏิบัติยังไม่ถูกต้องแทนที่จะลดกิเลส ก, ก็กลายเป็นการเพิ่มกิเลส นักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยที่เข้าวัดเข้าวาวะนะเป็นประจำเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยมันจะมีกิเลส ต, ตัวนี้พอกพูนมากขึ้นแล้วก็ใช้ศีลเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนอัตตาเพิ่มพูนกิเลสอันนี้ก็เรียกว่าเอาธรรมะมาปฏิบัติในทางที่ไม่ถูกต้องภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนา บางคนภาวนาแล้วเนี่ยเกิดนิมิตเห็นแสงสีก็เกิดความหลงตัวว่าฉันเป็นผู้พิเศษเนะบางทีก็นึกว่าฉันเป็นพระอริยเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็ไปไปข่มคนอื่นบางทีก็ไปข่มครูบาอาจารย์ด้วยซ้ําอย่างสมัยหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงปู่ดุลเนี่ยปฏิบัติตั้งใจมากเนี่ยปฏิบัติ บอกว่าเกิดวิปัสสนา <c oughs> วิเคราตัวเป็นพระอรหันต์แล้วก็เดินนะเท้า80กิโลไปหาหลวงปู่ดุลแล้วก็ไปเรียกให้หลวงตาเรียกหลวงตาดุลหลวงตาดุลออกมาจากกุตินะผู้สำเร็จมาแล้วนะผู้สำเร็จคือสำเร็จอราหัสมาแล้วนะจะสอนน่จะสอนครูบาอาจารย์นะ น, นั้นเรียกว่าเป็นความหลงนะ เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกแต่อันนี้ไม่ได้เจตนานะมันหลงก็เลยเทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่บางคนเนี่ยพอพอคิดว่าตัวเองนะเป็นผู้พิเศษแล้วเนี่ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าไปหลอกลวงเขานะอาศัยความเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ มันเป็นภาวนาระดับหนึ่งเช่นมีฌาอนอาจจะฌานระดับต้นๆนะก็ไปหลอกลวงให้ผู้คนเกิดความศรัท ธ, ธาวันดีคืนดี้ก็บอกญาติโยมว่านี่ะจ ะ, ะจะเข้านะจะเข้าจะเข้าเงียบนะจะเข้ากรรมฐานนิโราสมาบัตินะนี้เราสมาบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอ่า พระหลายรูปนี้ประกาศนะว่านี่วันนั้นวันนี้อัตมาจะเข้านิโรธสมาบัติคําพูดช น, นี้เป็นการอวดอุตริมุสธรรมนะเพราะว่าคนที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยก็คือพระอารหันต์หรือพระอนนาคามีที่สําเร็จฌาน 8. แปดพระโสดาบันยังทําไม่ได้เลยนะนิโรธสมาบัติเนี่ยพระตะกิท า, า, าคามีก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้มีแต่ พระอารหันต์แล้วก็พระอนาคามีเท่านั้นแหละใครไม่รู้ก็โอ้ยรอไปใส่บาตรวันที่พระรูปนั้นรูปนี้ออกจากนิโรธสมาบัตินะเพราะว่าจะได้บุญหารู้ไหมว่าโดนหลอกซะละนะเพราะถ้าพระที่เป็นพระอรหันต์พระอนาคามีก็จะไม่ทำอย่างนั้นท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเงี ย, งยบๆนะไม่ใช่ประกาศนะ เฉพาะคนที่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์หรือพระนาคามีแท้นั่นแหละถึงประกาศนะเพราะต้องการหลอกลวงชาวบ้านอันนี้เรวก็เ อ, เอาธรรมะไปปฏิบัติในทางที่ไม่ถูกต้องนะอาจจะมีคุณวิเศษบางอย่างหรือความสามารถพิเศษบางอย่างในเรื่องการภาวนานะแต่ว่าเป็นอภิญยาแบบโลกโลกนะอภิญญานี่มันก็มีประโยชน์นะเพื่อใช้ในการอุดสนับสนุนการปฏิบัติ ที่จะเข้าถึงโล ก, กุตรธรรมนะแต่ถ้ามาใช้ในทางที่ผิดนะมาหลอกลวงชาวบ้านหรือเพื่อตอบสนองกิเลสของตัวเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องเสียหายมากแบบนี้ก็สามารถจะฉุดลงนรกได้นะพฤติกรรมแบบนี้บางคนก็แกล้งภาวนา เ, นเพื่อให้ให้คนรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งมันมีสำนวนเรียกนะว่า ทำบุญเอาหน้าภาวนาตอนแหลนะสมัยนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วเนี่ยแต่สักสา4สิบสสิปีก่อนเนี่ยมันจะมีคำพูดมีสำนวนเนี่ยเพื่อเตือนนะว่าเวลาทาบุญเนี่ยก็อย่าอย่าเอาหน้านะภาวนาก็ให้ภาวนาด้วยความซื่อตรงนะอย่าตอนแหลหลอกลวงเขาทำตัวสุขุมทำตัว เ, เรียบร้อยนะเป็นการสร้างภาพเนะี่ย ภาวนาเพื่อสร้างภาพเนี่ยอันนี้เรียกว่าภาวนาตอนแหลอันนี้ก็เรียกเป็นการนำธรรมะมาปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องนะผลเสียก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะกิเลสแทนที่จะลดลงนะกลับเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็ยังไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยมันมีคำพูดนะของอสมเด็จพระกุโคโสาจารองปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยท่าน พูดว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะทำผิดในสิ่งที่ถูกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือการทำผิดในสิ่งที่ถูกคือเอาสิ่งที่ถูกเนี่ยมาปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยความหลงหรือด้วยเจตนาที่ไม่ดีก็ได้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีเนี่ยนะมันจะให้ผลดีได้ต้องปฏิบัติให้ถูกนะปฏิบัติไม่ถูกนี่เกิดผลเสีย อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะหลวงตาท่านเจริญสตินะทำสมาธิอยากจะให้จิตเนี่ยสงบนะแต่ว่า ท, ทปปําไปทําไปพรากฏจิตนี่ฟุ้งมากยิ่งฟุ้งก็ยิ่งหงุดหงิดนะแทนที่จะมีสติรู้นะอาการที่ฟุง้งหรือว่ามีสติรู้ทันความหงุดหงิดนะไม่รู้นะก็ยิ่งหงุดหงิดหนักขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นความโกรธ ไม่พอใจนะที่จิตมันฟุ้งเหลือเกินจนเกิดความเจเกิดโธสะขึ้นมาเอาลงเท้าแตะฟาดหัตัวเองทําไมมันคิดมากเหลือเกินทำไมมันคิดมากเหลือเกิ น, มมนก เ, เนี่ยมาปฏิบัติเพื่อตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ตัวให้เกิดใจสงบนะแต่กลับหลงหนักยิ่งกว่าเดิม อันนี้เรียกว่าปฏิบัติผิดในสิ่งที่ถูกนะก็คือปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นทำด้วยความอยากนะนอกกปฏิบัติก็ต้องระวังในเวลาเราปฏิบัติเนี่ยจนะ้าเราทำด้วยความอยากเนี่ยมันจะยิ่งเกิดความทุกข์ขึ้นคนที่ปฏิบัติแล้วเกิดความรู้สึกแน่นหนะ้าอกปวดหัวหรือว่าหายใจนะไม่ไม่สะดวกนะ หน้ามืดเนี่ยบางทีตัวแข็งเนี่ยนะอันนี้เพราะว่ามีความอยากนะเป็นเจ้าเรือนก็คืออยากจะสงบพออยากสงบ ก, ก็เลยพยายามไปควบคุมความคิดพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดนะพอมันคิดก็ตัดความคิดฉับซึ่งที่จริงก็คือการกดข่มไอ้ตอนที่กดข่มความคิดเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกว่ากลั้นหายใจ เวลาปฏิบติแล้วกลั้นหายใจนี้บางคนไม่รู้ตัวนะยิ่งคนที่ทําด้วยความเพ่งด้วยความอยากแล้วก็ไปเพ่งจิตมันจะกลั้นหายใจเป็นครั้งทีหลายครั้งกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวเพราะตอนนั้นเนี่ยกำลังกดข่มความคิดพยายามตัดความคิดพอกลั้นหายใจไปบ่อยเป็นยังไงหน้ามืดนแน่นหน้าอกปวดหัว อันนี้เป็นสัญญาณว่าปฏิบัติผิดแล้วนะการเจริญสติเป็นของดีนะแต่ว่าถ้าปฏิบัติผิดมันก็เกิดผลเสียของทุกอย่างนะแม้จะมีประโยชน์เป็นของดีแต่ว่าถ้าปฏิบัติผิดก็ให้โทษได้เช่นขับรถเนี่ยขับรถนี่เป็นของดีนะมันเป็นการช่วยทําให้เรารู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเดินทางให้สะดวกเป็นความได้เปรียบนะ เมื่อเที่ยบคนที่ขับรถไม่เป็นแต่ถ้าขับรถไม่เป็นนี่นะอย่าขับดีกว่านะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดอันตรายเกิดผลเสียสิ่งที่ถูกเนี่ยนะต้องระวังอย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปคิดว่ามันในเมื่อมันเป็นของดีของถูกแล้วนี่จะปฏิบัติยังไงก็ได้ไม่มีสติไม่ระมัดระวังทําด้วยความหลงหรือทําด้วยความโกรธเกิดผลเสียนะอย่างที่ นะเมื่อสองเดือนก่อนอันนี้ก็พูดไปแล้วนิดหน่อยนะเมื่อสองสมวันก่อนนะที่มีข่าวดังนะเรื่องน็อตกราบรถกูวน็อตเขามีรถราคาแพงแล้วก็มันมีคนไปชนท้ายรถเขาซึ่งเจ้าตัวคนที่ชนนี่ก็คงไม่ได้ตั้งใจน ะ, ะทีแรกเขาคิดหนีเพราะคิดว่าเจ้าของรถไม่รู้ก็ขับหนีไปเลยนะแต่ต่อหลังรู้สึกว่าไม่ถูกต้องนะก็เลย ขับรถย้อนกลับมาอยู่เทินกลับมาก็พอดีกับน็อต น, นี่เขารู้เนี่ยว่าใครชนก็เลยไปล่าคนนั้นนะชื่อบอยเนี่ยล่าออกมาแล้วก็เดินข้ามฟากมาอย่างรถของเขาแล้วก็ตะโกนด่ากระชากคอหนีทําไมหนีทําไมโกรธมากนะจนต่อยเอาต่อยหน้าเขาต่อยทั้งต่อยทั้งตก แล้วก็ระหว่างที่ทาก็ตะโกนหนีทาไมหนีทาไมคือดูเจตนาเนี่ยเาส่วนหนึ่งก็คงมีเจตนายจะสั่งสอนนะสั่งสอนคนที่ชนแล้วหนีนะเขาจะเป็นคนที่ต้องการจะรักษานะคุณธรรมหรือระเบียบในท้องถนนว่าชนแล้วไม่ควรหนีไอ้การที่พยายามที่จะรักษาธรมรงคุณธรรมในสังคม รักษาความถูกต้องในสองคลมนี้ดีนะแต่ว่าถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยมันกลักลายเป็นการทําความไม่ดีหรือทําความชั่วหนักกว่าเดิมถ้าคนที่ชื่อบอยนี่ก็เพียงแต่แค่ชนท้ายรถนะก็แค่ทําลายทรัพย์สินนิดหน่อยแต่พอต้องการสั่งสอนนะคนคนนี้นะน็อตนี่ ย, นนยกับทําสิ่งที่มันแย่กว่าก็คือทําร้ายร่างกายเขา อันนี้เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะซึ่งเราก็เห็นได้เยอะเลยนะคนที่ต้องการอยากจะพิทักษ์รักษาคุณธรรมความถูกต้องนะในสังคมแต่ว่าไม่ไม่ดูใจของตัวปล่อยให้ความโกรธความเกลียดนะโกรธเกลียดคนที่นะทำไม่ถูกแล้วก็เลยไปทำร้ายเขาบางทีถึงตาย สงครามระหว่างศาสนานี่ก็เป็นตัวอย่างนะการทำผิดในสิ่งที่ถูกนะต้องการที่จะเผยแผ่ศาสนานอันนี้ดีนะแต่ว่าพอมันยึดมั่นถือมั่นกับความดีแล้วนะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ถูกต้องก็เลยทำอะไรก็ได้นะสามารถจะทำคนกระทากับคนที่ชั่วคนที่ไม่ดีในสายตาของตัวด้วยวิธีใดก็ได้ อันนี้ก็มันต้องกับทําให้เกิดความชั่วนะตามมาในลักษณะที่หนักกว่าความไม่ดีความไม่ถูกต้องของคนที่ตัวเองต้องการสั่งสอนด้วยซ้ำหรือต้องการต้องการจัดการที่เราต้องระวังในเวลาเวลาจะทําความดีเนี่ยนะต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องด้วยนะอย่าอย่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะเราปฏิบททัติรำนะ เวลาเราภาวนาน ะ, ะเราก็อย่าลืมที่จะมาดูใจของตัวว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อลดเพื่อละกิเลสาบางคนไม่รู้ทันกิเลสนะก็ไปคอยตำหนิคนที่อยู่ข้างๆว่าเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติเลยฉันปฏิบัติแต่เขาไม่ปฏิบัติเลยนะฉันนั่งยกมือนะั้นสร้างจังหวะแต่คนข้างๆที่ไม่สร้างจังหวะเลย ก็ไปต่อว่าเขาเนี่ยอันนี้ก็เรียกปฏิบัติผิดในสิ่งที่ถูกนะหรือว่าเอาธรรมะมาปฏิบัติในทางที่ไม่ถูกต้องนะมาในลักษณะของการยกตนข่มท่านอาจจะไม่พูดกับเขานะโดยตรงแต่นึกบนในใจนึกต่อว่าในใจนี้ก็ไม่ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเราต้องมาดูตัวเองไม่ใช่ไปดูคนอื่น เมื่อแต่ก็ตามที่เราจิตส่งออกนอกไปดูคนอื่นไปต่อว่าคนอื่นเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราผิดละเพราะเราลืมดูใจของตัวว่ากำลังมีความโกรธกำลังมีความเกลียดหรือว่ากำลังมีอาการยกตนข่มท่านนะทุกครั้งที่ไปว่าคนอื่นเนี่ยมันแสดงว่าเราเนี่ยกำลังปฏิบัติผิดและ้ะเพราะเราไม่ได้ดูใจของตัวเน่เพียงอกับกริยาเนี่ยอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องดูเข้าไปถึงใจด้วยนะ อากาบกริยาดูดีนะเช่นกำลังให้ทานกำลังภาวนาเนี่ยข้างในใจเนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้อาจจะเต็มไปได้วยกิเลสเต็มไปได้วยความโกรธความเกลียดเต็มไปได้วยอัตตก็ได้จะดูที่อาการภายนอกไม่ได้นะมันต้องดูที่ใจนะท่านพ่อรีนเคยเล่านะมีผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันวันนั้นก็เป็นวันพระนะ นายก็เนี่ยก็เป็นคนธรรมธรรมโมอยากจะไปฟังธรรมนะก็เลยชวนนายขอไปฟังธรรมด้วยนายขอไม่สนใจในายนาขอกพราะจะไปจับปลานะนายก็ก็นึกตำหนินายขออยู่ในใจว่าเนี่ยวันพระวันศสียยังยังยังไม่เอ่อยังไม่ลดไม่ละซะอีกนะตัวเองก็เดินไป ก็ไปนในวัดนะฟังพระเทศนะส่วนในขอนี่ก็จับปลาหวานแห่ระ่างที่ในขอฟังพระเทศอยู่เนี่ยก็นึกในขอว่าไอ้ในขอตอนนี้จับปลาถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วก็เผลอคิดต่อไปเออจับปลาได้เยอะหรื อ, อยังมีปลาช่อนไหมมีปลาดุกหรือเปล่า แล้วก็เลยคิดว่าเออถ้านายขอนี่จับได้นี่เย็นนี่ก็คงจะมีนะแปะสะมะีผัดเผ็ดให้กินแล้วตัวเนี่ยพนมมือนะฟังพระเทศนะแต่ใจเนี่ยไปนึกถึงนึกถึงปลานะนึกถึงการจับปลาแล้วก็ยินดีนะดีใจที่ได้กินปลาที่นายขอจับนะส่วนนายขอเนี่ยนะขณะที่จับปลาอยู่เนี่ยนะก็นึกถึงเพื่อน ในกเนี่ยว่าเขากำลังไปฟังธรรมตอนนี้เขานะฟังธรรมไปถึงไหนแล้วนะระหว่างที่มีการฟังธรรมก็มีการตีตีระคังตีคลองทุกครั้ ง, ง, ทงที่ตีระตีคลองนี่ในขอก็จะพนมมือสาทุสาทุชาววันนั้นนในขอนี่จับปลาไม่ได้เลยนะเพราะว่าใจที่นึกถึงบุญกุศลนะมันทําให้ ทำผิดไม่ขึ้นนะในคอเนี่ยจับปลานะแต่ว่าได้บุญนะเพราะว่าใจนึกนึกถึงนึกถึงพระเทศนึกถึงธรรมะนะนึกถึงบุญกุศลส่วนในกอเนี่ยนะตัวอยู่ในวัดฟังพระเทศนะแต่ว่าไม่ไม่ได้บุญหรอกเพราะใจนึกถึงเรื่องการจับปลาของเพื่อนแล้วก็นึกถึงประโยชน์ผลผลผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้นะจากการที่เพื่อนไปจับปลา ในกเนี่ยนะทำผิดในสิ่งที่ถูกนะฟังธรรมแต่ใ จ, ใจในไปนึกถึงการจับปลาเนี่ยส่วนในข อ, อนี่ทําถูกในสิ่งที่ผิดนะ <c oughs> ก็คือว่าจับปลานะแต่ว่าใจเนี่ยนึกถึงธรรมะนึกถึงพระเทศนะาทาผิดในสิ่งที่ถูกเนี่ยมันสู้ทําถูกในสิ่งที่ผิดไม่ได้นะนะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะทําถูกในสิ่งที่ถูกเนี่ยดีที่สุดนะก็คือธรรมะเนี่ยที่ เ, เมื่อ เมื่อร่วมเป็นของดีเนี่ยก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ถูกนะมันจะเกิดสุขตามมาอย่าไปคิดว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วนี่จะปฏิบัติยังไงก็ได้นะอันนั้นไม่ใช่จะปฏิบัติยังไงก็ได้เนะี่ยกิเลสมันเฉยโอกาสทันทีเลยนะกิเลสไม่ได้เฉยโอกาสเอาการปฏิบัติทำนี่แหละไปเป็นเครื่องปลเปิดสนองกิเลสนะซึ่งบางทีมันก็นำไปสู่การเบียดเบียนคนอื่นด้วย เพาใ น, นเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่า่อย่าติดหรือว่าอย่าสนใจแต่เพียงรูปแบบนะนะเช่นมาวัดแล้วเนี่ยเออถือว่าฉันปฏิบัติธรรมแล้วนะนะฉันมาทําบุญนะฉันมาฟังธรรมนะฉันมาภาวนาถ้าวางใจไม่ถูกมันก็จะกลายเป็นการทาบุญเอาน้ามัภาวนาตอแหลนะอันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะบางทีติดลบด้วยนะ อุสามาวัดนะแต่ได้บาปกลับไปเนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่าได้กิเลสเพิ่มพูนหนักขึ้นสู้คนที่เขาอาจจะไม่ได้ไปวัดอาจจะไปอยู่บนถนอนอยู่ในตลาดนะแต่ว่าเขามีใจเป็นกุศลก็ได้นะใจค้นึกถึงธรรมะใจค้นึกถึงความเมตตากรุณาใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเห็น เห็นหมาขี้เรื้อนนะมันไม่มีอะไรจะกินนะก็เอาปิ้งไก่ให้มันกินนะอันนี้อยู่ในตลาดอยู่บนท้องถนนนะแต่ว่ากลับทำบุญกลับได้บุญให้คนที่อยู่วัดเนะี่ยแต่ว่าเห็นกค่ตัวนะเวลาตักอาหารก็ตักเยอะกว่าคนอื่นนะเวลามีงานการอะไรก็เด็กเรี่ยงนะ อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้บุญ น, นะนะถึงแม้ว่าตัวนี้จะมาวัดนุ่งขาวห่มขาวมันมีคําคำหนึ่งนะเรียกว่าชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติทําโดยสมควรแก่ธรรมน่าสำคัญมากนะก็แปลว่าปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมบางทีก็แปลว่าปฏิบัติ ท, ท, ทาําทน้อยคล้อยทําใหญ่หมายความว่าธรรมแต่ละธรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็มีมีความสําคัญเนี่ยแตกต่างกันลดหลั่นกันไป หรือว่ามีจุดมุ่งหมายนะที่ที่อสอดรับกันไปเช่นการให้ทานเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเพื่อลดความตนหนีสีเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อลดการลดกิเลสลดอํานาจของกิเลสตันหาเช่นโลภะโทสะเนี่ยไม่ให้มันครอบครองใจมากภาวนา น, นี่ยก็เพื่อทำให้จิตใจเนี่ยเป็นกุศลลด ลด อ, อัตราตัวตนนะเกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตเราต้องเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยหรือการปฏิบัติธรรมแต่และข้อนี้เพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจมันก็จะปฏิบัติถูกถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะปฏิบัติผิดนะทาบุญก็กลายเป็นการเพิ่มกิเลสภาวนาก็กลายเป็นการสร้างภาพไปการปฏิบัติธรรมบางอย่างเนี่ยนะบางข้อเนี่ยปฏิบัติผิดกันเยอะนะเช่นสันโดษเนี่ยสันโดษเนี่ย ก็คือความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะรวมทั้งการอยู่แบบเรียบง่ายพทธศาสนาก็ให้ความสำคัญสันโดษมากถือว่าเป็นมงคลสูงสุดข้อหนึ่งนะแต่ว่าวัตถุ ป, ประสงค์เนี่ยนะก็เพื่อเราจะได้มีเวลานะมีกำลังในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นเช่นถ้าคนรามีสันโดษเนี่ย แทนที่จะเสียเวลาไปกับการทํามาหากินเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆหรือว่ามีเงินเยอะๆแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยนะมาใช้ในการปนเปื้ตนการทําแบบนั้นเนี่ยนะมันทําให้กิเลสงอกงามแล้วมันทําให้ไม่มีเวลาที่จะทําสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์แต่เมื่อเราสันโดษนะเราพอใจในสิ่งที่มีนะเราไม่มีความโลภ เราไม่เอาแต่ทำมาหาเงินเราหาพอสมควรและเงินที่ได้มาเราก็เอามาใช้จุนเจือตนโดยที่ไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อปลนปเปลอก็จะมีเวลาสำหรับการไปทำสิ่งที่มีประโยชน์เช่นสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมนะหรือไม่ก็ มีเวลาแล้วก็มีเงินที่เกิดจากการเก็บสะสมไม่ได้ใช้ในการปลนเปิดตนเนี่ยเช่นหามาหมื่นหนึ่งแต่ว่าใช้ไป2องสามพันก็เหลือ7 0 0 0พก็เอามาใช้นะเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะสมัยก่อนก็สร้างวัดวาอารามสมัยนี้ก็อาจจะรวมไปถึงการอุดหนุนการศึกษาของพระสงฆ์หรือว่าช่วยเหลือคนยากคนจน เ, นเพราะฉะนั้นเนี่ยสันโดษเนี่ยไม่ต้องส่งเสริมหรือไม่ต้องควบคู่กับวิริยะความเพียร สันโดษเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับความเพียรเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยสันโดษมันจะทำให้ขี้เกียจสันโดษเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกนะมันทำให้ขี้เกียจนะเช่นแทนที่จะทำงานทุกวันนะหาเงินอย่างเมื่อก่อนก็ทำงานแค่อทิษฐ์ลาสองวันนะเพราะเราไม่ต้องการใช้เงินมากเราอยู่แบบเรียบง่ายแทนที่จะทางาน 6วันใน1อาทิตย์เราทํางานแค่2วันเงินเดือนก็ได้น้อยลงรายได้ก็ได้น้อยลงก็พอจุนเจือตัวเองได้เพราะอยู่แบบเรียบง่ายสันโดษเนแต่เวลาอีก 3-4 วันที่เหลือเนี่ยถ้าเอาแต่นั่งนนอนนนเนี่ยไม่ถูกนะอันนี้ผิดผิดวัตถุประสงค์ของสันโดษสันโดษเนี่ยเขามีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะแล้วก็กําลังวังชาที่ที่ที่เพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ย เอาไปทําประโยชน์เพราะนั้นก็ต้องมีความเพียรเช่นพอสันโดรแล้วนี่ก็ต้องขยันปฏิบัติทําขยันช่วยเหลือส่วนรวมนะแต่ส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่ส่วนใหญ่จํานวนมากปฏิบัติผิดนะสันโดรก็จริงนะแต่ว่ากายมีขี้เกียจไปนะนั่งเล่นนอนเล่นไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้ก็ทําให้ไม่เกิดความเจริญทั้งแก่ส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมอันนี้ก็เรียกปฏิบัติผิดในสิ่งที่ถูกน ะ, ะนั่นทูตจารย์ในเวลาท่านสอนสันโดรท่านจะควบคู่ไปกับ วิริยะด้วยต้องมาคู่กันนะสันโดษกับวิริยะถ้าสันโดษตัวเดียวนี่มันก็จะพาไปสู่ความผิดพลาดหรือชีวิตที่ตกต่ำก็ได้ก็คื อ, อขี้เกียจเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราได้สวดกันเนี่ยนพิจารณาดูดีๆนะใครครวรทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติดีด้วยนะไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติยังไงก็ได้เห็นว่าเป็นธรรมะ ถ้าปฏิบัติผิดมันก็เกิดผลเสียนะกลายเป็นทำผิดในสิ่งที่ถูกไปคำนี้เพื่อเท่า น, นี้นะครับค